ต้องไปให้ถึงเนื้อตัวบรรยายเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2548 ที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นการตอบข้อสักถามกรณีการจัดงานวันวิสาขาบูชาที่จะวีนมาบรรจบในวันที่22พฤษภาคม2548ที่จะถึงนี้โดยพระเดชพระคุณพระรพรมกุณาภรปอปอประยุตโตเจ้าอาวาสวัดใหญ่นาเวศ ก, กรวันจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อวันที่28เมษา ย, ยนที่ผ่านมาขอย้อนเหตุการณ์ถึงกรณีประเด็นปัญหาอันเป็นที่มาของการตอบข้อสักถามในครั้งนี้ว่า เกิดขึ้นหลังจากมีข้อวิจารณ์และถกเถียงกันเกี่ยวกับองค์กรที่สมควรจะเป็นหลักของการจัดงานและได้มีการแสดงความคิดเห็นกันต่อกรณีนี้ต่างๆนานาซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้ความคิดเห็นโดยการขาดความรู้หรือแม้กระทั่งการผ่านเรื่องราวไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจล้วนเป็นเรื่องไม่สมควรทั้งสิ้นสำหรับชาวพุทธในฐานะสื่อมวลชนซึ่งมีหน้าที่เผยแพร่สาระข่าวสารอย่างผู้รู้ถูกต้องและครบถ้วน และสร้างสรรค์จึงได้ขอโอกาสนำคณะเข้าพบท่านเจ้าคุณพระพรมคุณาพรปออประยุตโตและกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ให้ผ่านเลยไปแบบคลุมเครือและต่อไปนี้คือเสียงการตอบข้อซักถามที่พระเดชพระคุณได้เมตตาอนุญาตให้นำมาเผยแผ่ต่อได้เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องขอเชิญรับฟังได้ยินข่าวว่าจะมีการจัด งานวิสาขบูชาระดับโลกรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นผู้นำที่สนับสนุนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแต่ทีนี้ตอนนี้มันก็มีข่าวว่าเกิดปัญหากันขึ้นว่าจะมีองค์กรโน้อนองค์กรนี้มาร่วมวก็ร่วมกันได้หรือร่วมกันไม่ได้ ลเสร็จแล้วที่ร่วมกันได้หรือร่วมกันไม่ได้นะ่ก็ข่าวตอนนี้สับสนเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าเลิกกันแล้วเนี่ยว่าองค์กรใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่บริหารกิจการพุทธศาสนาออกมาจากศูนย์กลางคือคณะสงฆ์ก็คือมหาเทส ม, มัคมแล้วก็มีหน่วยอะไรต่างๆที่เป็นองค์กรเอกชนอะไรบ้างเนี่ยมาร่วมเนี่ยซึ่งทางรัฐบาลก็ได้รับทราบมีผู้ที่นาเข้ามา แล้วก็ตอนที่เป็นข่าวต่อนเนื่องมาก็คือว่าองค์กรหรือหน่วยอะไรต่อหลายย่อยๆเนี่ยจะร่วมด้วยหรือไม่ร่วมแต่ตอนหนึ่งก็ได้ยินว่าเอาละเลิกไปแล้วเดี๋ยว่างตอนก็เอาละไม่เลิกแล้วอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งคือข่าวยังสับสนแต่เรื่องเลิกไม่เลิกนี่ในที่นี้จะไม่พูดถึงแต่ว่าเรื่องมันจะผ่านไปที่น่าเป็นห่วงมนันเป็นเกอีกประเด็นหนึ่ง คือมันผ่านไปโดยความไม่รู้โดยเฉพาะไม่ชัดเจนน่าจะเน้นเรื่องความรู้อะไรที่ผ่านไปแบบคลุมคุมเคลือเือเนี่ยไม่ดีอันนี้ยิ่งสังคมปัจจุบันเราบอกอยากให้เป็นสังคมแห่งความริ้นรู้หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ก็เป็นสังคมแห่งการไม่รู้จักเรียนรู้ปรากฏว่ามีการแสดงความเห็น โดยไม่พยายามที่จะหาความรู้กันแล้วก็เอาความรู้มาเผยแพร่ก็มีแต่การแสดงความเห็นไปตามความรู้สึกมันก็เลยกลายเป็นเรื่องความรู้สึกไปว่าชอบใจไม่ชอบใจเอากระแสะอะไรต่างๆมาเป็นตัวตัดสินนะนะอาตมาว่าน่าเป็นห่วงตรงนี้ว่าเรื่องมันจะไปยังไงก็ตามเนี่ยควรจะให้คนมีความรู้ชัดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปนได้ ในที่นี้ก็เลยจะไม่วิจารตัวประเด็นใหญ่เรื่องจัดงานนะอาจจะพลาดพิงเพราะมันเกี่ยวกันมันเริ่มต้นจากนั้นแต่จะมุ่งไปที่ความรู้คือพูดไว้ให้เกิดความรู้โดยเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นเองนะทีนี้เรื่องนี้ก็เท่าที่ได้ยินนะ ก็ขอพูดก่อนเพราะว่ามีองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมาเทศสมาคมแล้วก็มีองค์กรเช่นสันติอโศกนะเข้ามาแล้วจะมีใครอีกบ้างก็ได้ยินว่านน่นนี่อะไรต่างๆแต่ว่าที่เด่นก็คือสันติอโศกทีนี้ที่จะพูดต่อไปเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจตมาพอใจชอบใจการบริหารกิจการศาร ส, สนาของมาเทศสมาคมนะ คือเราเห็นกันอยู่ว่าเวลาเนี้ยการบริหารกิจการพระสัสนาโดยเฉพาะกิจการคณะสงฆ์เนี่ยอ่อนแอและถูกปล่อยปละละเลยมากควรจะมีการปรับปรุงอย่างจริงจังแต่อันนี้มันเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ต้องรู้ไว้ก่อนว่าที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าไปเห็นด้วยหรือชอบคณะสงฆ์แล้วไปพูดเพราะว่าเข้าข้างไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้เราต้องการความรู้ก็มาดูอันนี้ว่า ตอนนี้ก็จะมีองค์กรหรืออะไรมาร่วมกับคณะสงฆ์เนี่ยเราจะมีหลักในการพิจารณาอย่างไรไม่ใช่ว่าพูดลอยๆว่าเอออย่างงั้นอย่างนี้นียนน่ยเรามาร่วมการสามัคคีอะไรต่างๆเริ่มต้นก็เช่นคำว่าสามัคคีเนี่ยมันก็เป็นคําที่ดีแต่ว่าสามัคคีมันก็มีสองอย่างอย่างที่หนึ่งขอใช้คำเบาๆหน่อยเลี่ยงคารุนแรง ก็ใช้คำว่าสามคัคคีของคนขี้เมาอนคือจะตั้งวงเล่ากันเนี่ยใครมาก็เรียกเข้าวงเล่ากินด้วยกันแล้วเขาจะมาไงไปไงกินเสร็จแล้วจะไปไงฉันไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมหมดเรื่องทีนี้สองก็ความสามคัคคีของบัณฑิตคือบัณฑิตก็จะสามคัคคีก็คือมาเช่นมาทำสังฆกรรมร่วมกันต่อเมื่อแก้ปัญหาเสร็จแล้วแต่ทีนี้ เมื่อเขายังไม่ได้มาร่วมกันมาสามคัคคีตกลงกันนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไปทําร้ายอะไรกันก็เป็นแบบบัณฑิตเขายังแก้ปัญหาไม่เสร็จเขาก็ไม่ทําร้ายไม่อะไรกันก็อยู่กันไปได้ดีโดยสงบแต่จะสามัคคีก็คือว่าแก้ปัญหาให้มันสําเร็จลงยุติด้วยความรู้ความเข้าใจและอะไรแต่อะไรมันจะดำเนินไปได้ถ้ามันยังขัดแย้งกันอยู่คนหนึ่งก็จะเดินไปทางหนึ่งคนหนึ่งก็จะเดินไปทางหนึ่งแล้วคุณจะบอกว่าสามัคคี แม้แต่เดินมันก็เดินไปไม่ได้แล้วคนหนึ่งก็มาตกลงก่าสามัคคียังยังไม่รู้เรื่องว่าคนหนึ่งจะไปไหนจะเดินอย่างไงแบบไหนใช่ไหมเอาตกลงมาสามัคคีกันพอเริ่มเดินก็เอาแวแหละคนนี้ก็บอกฉันจะใช้วิธีเดินแบบนี้คนนึงจะใช้วิธีนั้นยุ่งแหละนะฉะนั้นสามัคคีแบบบรรัณฑิตเขาก็ต้องแก้ปัญหาซะก่อนนะให้มันลงตัวอันนี้เรื่องความสามคัคคีทีนี้ อ, อันหนึ่งก็คือ มักจะอ้างเรื่องเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศบางทีเขาก็เขียนไว้กว้างกว้างจึงอยู่เจตนารมณ์ก็มุ่งเสรีภาพแต่ว่าเสรีภาพนั้นมันก็จะต้องมีกฎหมายมาบอกว่าแค่ไหนเพียงไรไม่ใช่บอกแค่รัฐธรรมนูญ ในนี้เสรีภาพในรัฐธรรมนูญก็อาจจะให้เพียงกว้างๆอย่างที่ว่าไม่ขัดเมื่อไม่ขัดต่อสินธรรมอันดีของประชาชนนี่เป็นสำนวนเกา่ามาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับไหนฉบับไหนแล้วก็เขียนอย่างนี้ทั้งนั้นทีนี้เมื่อรัฐธรรมนูญบอกกล่าวไว้กว้างๆก็จะมีกฎหมายลูกมารับช่วงต่ออย่างเรื่องศาสนานิกายต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไปเอา โดยอ้างรัฐธรรมนูญว่าเออใครนับถือยังไงก็เป็นนิกายอะไรแต่อะไรก็ได้อย่างในเมืองไทยนี่ก็มีกฎหมายว่านิกายไหนจะเป็นที่ยอมรับโดยรัฐอย่างเช่นแม้แต่นิกายพุทธศาสนาในไทยเนี่ยมีนิกายจีนนิกายยวนก็มีกฎหมายดูจะเป็นระดับกฎกระทรวงยอมรับไม่ใช่ว่าจะมาอ้างรัฐธรรมนูญแล้วจะบอกว่าเป็นนิกายหนึ่งนิกายหนึ่งไม่ได้ ถ้าขืนอย่างนั้นแล้วจะยุ่งหมดก็เลยจะขอยกตัวอย่าง น, นี่จะเสียเวลานิดหน่อยคือเรื่องศาสนาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องเพื่อดุความดีงามแต่ถ้าจัดการไม่ดีก็เป็นปัญหามากก็ยกตัวอย่างเอาประเทศที่พัฒนาแล้วนะเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็สิบปีพอดีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีหปีนี้20งศ ก็คือ2538มาถึง2548เมื่อเดือนมีนาคมปี1995เนี่ยก็เกิดกรณีที่เรียกว่าโอมชิลิเคียวนะมีการปล่อยแกส๊สฟิตในสถานีรถไฟใต้ดินทำให้คนตายไปจำนวนหนึ่งและก็บาดเจ็บเป็นพันสื่อไปสื่อมาก็ได้ความว่ามาจาก ลัทธิศาสนาที่เรียกว่าโอมชิลีเคียวลัทธินี้ก็อ้างว่ามาจากพุทธศาสนารวมกับลัทธิเต๋าแล้วก็โยคะจะเห็นว่ามีคำว่าโอมโอมเนี่ยเป็นคำที่มาจากศาสนาพราหมณ์นะคำว่าโอมขอให้ความรู้เป็นปลีกย่อยนิดหน่อยโอม เวลาพวกพราหมณ์เนี่ยเขาจะกล่าวอะไรขึ้นมาเขาจะเริ่มในคําว่าโอมใช่ไหมเป็นคําศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งหรือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาพราหมณ์คําว่าโอมเนี่ก็เป็นคําที่รวมเอาเทพเจ้าที่เรียวกว่าตีตรีมูรติสูงสุดของศาสนาพราหมณ์เข้าไว้ด้วยกันในคําเดียวก็คือพระพรมพระนารายณ์และพระอิศวรหรือจะหมายถึงไตรเพศก็ได้นีก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นเลย นี่คำว่าโอมเนี่ยก็เมื่อยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสัาพราหมณ์ต่อมาพุทธศาสนาที่เป็นแบบมหายาตเกิดขึ้นมหายาตก็อย่างที่ทราบก็มีการไปรับเอาแนวคิดของพราหมณ์ฮินดูเข้ามาคําว่าโอมก็เข้ามาสู่พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในศาสนา พ, พุทธศาสนามหายานก็จะมีคําว่าโอมเช่นคําสําคัญมากเรียกว่าโอมปฏรม โอมานีปัทเทมหุ้มอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยโอมก็ไปในญี่ปุ่นกลายเป็นโอมชิริเคียวนี่นะฮะลัที่เนี่ยทีนี้โอมชิริเคียวนี่ท่านอสหาร่านี่เป็นหัวหน้าลัตที่นะก็ไปไปมาๆก็กลายเป็นว่ า, าศาสนาเนี่ยนะซึ่งบอกว่านิยมความสงบนั่งสมาธิอะไรแต่เลยต่อมีเบื้องหลัง แล้วในที่สุดก็คือเป็นผู้ก่อคดีที่ว่าปล่อยแก๊สพิษในสถานีรถไฟใต้ดินที่ทำให้คนตายแต่ว่าที่มันมีอย่างนี้ก็คือมันมีอิพิพลของศาสนาคริสต์เข้ามาด้วยเมื่อกี้บอกว่ามีพุทธศาสนาโยคะแล้วก็เต๋าแต่ว่าอิทธิพลของศาสนาคริสต์ก็คือความเชื่อในเรื่องการิ้นโลกความเชื่อในศาสนาคริสต์ เขาจะมีคำภีชุดหนึ่งเรียกว่าคำภีอพ ocalypse คำภีพวกนี้จะพูดถึงการสิ้นโลกเรียกว่า the end of the world นะหรือโลกแตกนะเขาก็จะมีการทำนายไว้โลกจะแตกแล้วก็จะพระผู้เป็นเจ้าก็จะช่วยให้คนที่ดีคนที่ประพฤติทธรรมเนี่ยรอด ทีนี้พวกลัทธิภายหลังก็จะมาพัฒนาหรื อ, อดึงเอาแนวคิดนี้มาใช้กันชะนัจะบอกเนี่ยดูสิโลกปัจจุ บ, บันเนี่ยมันเลวร้ายเหลือเกินวุ่นวายคนประพฤติต่ํารามเกิดสงครามอะไรแต่ละไรเบียดเบียนกันเนี่ยเนี่ยจะทําให้พระผู้เป็นเจ้าพิโรธเมื่อทรงพิโรธแล้วก็จะทําให้โลกพินาศเพราะฉะนั้นลัทธินั้นเขาก็บอกเขาจะเป็นผู้มาช่วยนะเพื่อจะให้คนพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่จะรอดเพราะในไม่ช้าในโลกจะอวสานพระพู้เเจ้าท่านจะไม่เอาไว้แล้วนั้นเราก็จะรีบไปกันซะ ก, ก่อนนะีก็นี่เป็นทางรอดอิทธิพลของรัฐที่แบบนี้ก็เข้ามาในรัฐที่ศาสนาอื่นด้วยอย่างที่ว่าเขาบอกว่าอาจจะจะเป็นคสันๆเขาจะสรรนิธิอะไรไงก็แล้วแต่ก็รวมความก็เอาเป็นว่ารัที่นี้ก็จะมีแนวคิดทำหนองนี้จะกลายเป็นว่าผสมผสาน ร, รัฐที่ศาสนาต่างๆทีนี้ อมชิรีเคียวเกาะเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็ทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเกิดความตระหนักเห็นภผยว่าโอ้เรื่องศาสนานี่มันก็เรื่องยุ่งเหมือนกันนะก็เป็นเหตุให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องออกกฎหมายควบคุมเรื่องกิจกรรมลัทธิศาสนาขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนี่สิปีมาแล้วนะแล้วก็ดูประเทศอเมริกานะคือเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาสูงสุด เพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านี้จิตใจคนจะวุ่นวายมากจะไปนึกว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในประเทศที่ด้พัฒนานะแต่ได้พัฒนานี่ก็มีสิทธิ์ที่จะตามประเทศพัฒนาแต่ประเทศพัฒนาแล้วนี่แหละจะเป็นตัวนําเลยในเรื่องปัญหาเหล่านี้ก็จะมีพวกรัฐที่เหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยเื่อย่างอเมริกานี่ก็มีตั้งแต่อย่างที่คลึกโครมมากก็ปีหน7 8งเก้ก็ต้องหลายปีแล้ว คิดเอาเองว่าพอสะอะไรนะก็เกิดไอ้กลุ่มชนคนหนึ่งมีบัตรหลวงไม่ใช่บัตรหลวงเพราะว่าเป็นชาวสาสนาคริตนิกายโปร เ, สเตสแตนต์เป็นนักบวชนิกายโปร เ, สเตสแตนต์มีชื่อเสียงมากเผยแพร่เป็นที่นิยมนับถือและท่านผู้นี้ชื่อว่าจิมโจนส์นะท่านก็ตั้งกลุ่มของท่านมาแล้วต่อมาก็ถึงกับพาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย ไปตั้งนิคมแห่งหนึ่งนะชื่อว่าโจนส์ทาวในกียาน่านะแล้วต่อมาก็มีพฤติกรรมที่ทําให้ประเทศอเมริกาเขาสงสัยก็มีการส่งคองเกรสแมนหรือคองเกรสแมนแกไปเองก็ไม่ทราบแกพาคณะแกไปแล้วแกถูกพวกนี้ยิงตายแล้วจิมส์โจนชื่เป็นหัวหน้าเนี่ยเรียกนิกายของตนลัทธิของตนเนี่ย ซึ่งมาจากคริสต์ศนาว่า People's Temple นะต่อมาก็พาลูกศิษย์สาวกซึ่งมีจำนวนตั้งเกือบพันคนนะนะในที่สุดวันหนึ่งแกก็ให้ลูกศิษย์สาวกนะดื่มยาสยานายยายนาย์สันสหนูใช่ไหมตายไปเก้าอสิบเอ็ดคนแล้วก็คนที่อาจจะไม่ยอมกินเลือไว้ลูกก็ถูกยิง แล้วตัวเองก็ยิงศีรษะตายตายกันทั้งหมด913คนเป็นคดีใหญ่ครึกโครมมากนี่ก็เรื่องของลัทธิศาสนาแล้วก็ต่อมาก็ปี1993ง9กกนะก็ที่เท็กซัสนะก็มีหัวหน้ามาจากศาสนาคริส เบื้องหลังภูมิหลังมาจากนิกายเซเบนดีแอดเวนติสหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่แน่ใจอันนี้นะต้องดูทีกท่านผู้นี้ก็เป็นผู้นำและในที่สุดได้พาสา ว, วกทั้งหลายเนี่ยไปชุมนุมกันอยู่ที่เมืองเวโก้ในรัฐเท็กซัสนะแล้วพวกทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็สงสัยในพฤติกรรมในที่สุดก็เอาทหารหรือเอาเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นตำรวจเขาใช้คาว่าออฟฟิเชียนะ เจ้าหน้าที่ก็มาล้อมอยู่ต้องล้อมกันอยู่ห้าสิบเอ็ดวันและในที่สุดพวกกลุ่มนี้เองก็ได้จุดไฟเผาที่ตึกนั้นก็พวกของเขาเองตายไปเจ็ดสิบปดคนนะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่คลึกโครมอ่นะนี่กรณีนี้ก็เป็นเป็นกรณีของในเดวิสในเดวิดกอรเรสนะ ที่เรียกกันว่าเวโก้เพราะมันเกิดเหตุที่เมืองเวโก้แล้วก็อันนี้ยังโยงใหญ่มาถึงการระเบิดครั้งใหญ่ที่รัฐโอคลาโฮมาเคยได้ยินไหมนั่นแหละที่ระบกสถานที่ราชการเขาว่ามาจากพวกนี้ที่แคนพวกสาวกที่ไม่ตายนะแล้วก็มาทําการระเบิดที่โอคลาโฮมาที่ยับเยินเลยตายกันมากมายนะ อันนี้ก็ลาจะเลือกสศาสนาแล้วก็มายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็ปีหนึ่งเ9 7กจ็ดหนึ่งเจก็มีพวกหัวหน้าลทัทธิก็มาภูมิหลังจากความเชื่อในเรื่องศาสนาคริสต์เรื่องการสิ้นโลกนี่นแหละนะแกก็ว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายจะต้องพินาศย่อยยับมีความทุกข์มากนะ พอดีปี1997เนี่ยดาวหางชื่อเฮลบ๊อบมาผู้นำนี่ชื่อนายมาเชลแอปเปิลไว้เนี่ยเรียกชั้นสันว่านายโบแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อคู่กันชื่อนายป๊อบสองคนนี้ก็ชวนสาวกเนี่ยว่าดาวหางเนี่ยมาเนี่ยจะมีจานผีติดมาด้วย แล้วพวกเราเนี่ยนะก็ให้ไปกับดาวหางนี้เพื่อจะไปสู่ a ฮเ n s g a กตประตูสวรรค์เขาเลยเรียกลัทธินี้ว่า h e a v e n เกตนะประตูสวรรค์เพราะนั้นพวกนี้แกก็ไปชุมนุมกันรอพอถึงตอนที่ดาวหางมานะฮะเขาก็ไปชุมนุมกันแล้วก็ฆ่าตัวตายกันทั้งหมดดูอันนี้ไม่มากนะักสาบคนนะ ก็เพื่อจะไปกระดาวหางที่ไปมีจาร์ผีมาด้วยแล้วก็จะไปที่ประตูสวรรค์แล้วพวกเขาก็จะพ้นภัยพิบัติที่มนุษย์อื่นจะต้องได้รับ mm hmm. เขาจะมีความสุขนี่นี่คือจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าความเชื่ออย่างเงี้ยเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาดีพัฒนาสูงสุดใช่ไหมก็เพราะพวกประเทศเหล่านี้สภาพจิตใจไม่ปกติแล้ว มันเป็นจิตวิญาณมนชนคือคนในสังคมแบบนี้จิตใจวุ่นวายอยากจะมีอะไรที่ง่ายๆขึ้นมาแล้วไม่ต้องคิดเหตุผลมากรคนในยุคปัจจุบันอย่างพุทธศาสนานสอนเป็นเหตุเป็นผลมากคนสมัยนี้นี่หัวปั่นปวนวุ่นกับเหตุผลต้องคิดเยอะอยู่แล้วอยากจะเอาอะไรให้มันง่ายๆแน่มันพูดปั๊บเดียว ต่อมาก็ไปกลายเป็นลัทธิที่เชื่อตามคําสั่งหัวหน้าหรือผู้ตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิเจ้าลัทธิว่าไงทําตามหมดมันง่ายดีนี่เป็นจิตวิญญาณชนที่เขาวิเคราะห์เหมือนกันว่าพวกนี้ต้องการที่จะพ้นจากความรู้สึกที่เลื่อนลอยเคว้งคว้างไม่มั่นคงในสังคมปัจจุบันพอได้อันเนี้ยนะเขามีเจ้าลัทธิที่เขาเชื่อสั่งยังไงต้องทําอย่างงั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกมั่นคงสอง คือหนึ่งง่ายๆนะเชื่อเลยทำไปเลยสองก็ตั้งชุมชนเช่นเป็นคอมมูนอย่างจิมโจนเนี่ยก็ตั้งเป็นคอมมูนพวกนี้ก็จะมีกลุ่มของตัวเองซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกมี security มีความมั่นคงขึ้นเพราะสังคมปัจจุบันเนี่ยคนมันมากมายแต่แต่ละคนนี่รู้สึกแปลกแยกว้าเวงห้อยเหงาใช่ไหมพอมีชุมชนของตัวเองขึ้นรู้สึกมีความรู้สึกสบายใจมีความสุขอะไร ขึ้นมามีพวกที่มีทิฏฐิความเห็นความคิดอะไรอย่าง อ, อย่างเดียวกับตนมีวิธีชีวิตเหมือนกันอันเนี้ก็เป็นเรื่องของกับวิเคราะห์ซึ่งเป็นเรื่องทางด้านจิตวิทยาแต่รวมความก็คือมันออกมาโดยลัทธิศาสนานั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเตรียมรับมือกับปัญหาเรื่องลัทธิศาสนาต่างๆนนี้ที่พูดไม่ก็เพื่อเห็นว่าการที่จะบอกว่าเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นมันไม่พอต้องมีความรู้ความเข้าใจ และจัดการให้ถูกด้วยและอย่างน้อยก็คือว่ากฎหมายแม่บทคือรัฐธรรมนูญ น, นั้นมันไม่ได้จบเท่านั้นมันต้องมีกฎหมายลูกมารับช่วงต่อด้วยขอขอนุญาตท่านเจ้าคุณค่ะก่อนที่จะไปถึการจัดงา น, นนี้ในประเด็นวิเคราะห์ต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดถึงเรื่องของลทัทธิความเชื่อเนี่ยอ่ ตัวรูปแบบของกระบวนการเขาเนี่ยจะเริ่มจากการที่เห็นว่าสังคมวุ่นวายคนมีจิตยึดในใจลำบากจึงหาอะไรง่ายๆดูกันเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าฉันจะพ้นจากภาวะวุ่นวายได้โดยการทำอะไรง่ายๆเช่นอย่างอย่างที่เห็นในบ้านเรา ก็ไม่ต้องบอกถึงใครเช่นซื้อบุญได้ถ้าซื้อบุญตรงนี้แล้วก็ไปสวรรค์ได้โดยไม่ต้องทำอะไรไหรือบอกทําดีหมายความว่าทาอย่างนี้ง่ายๆโดยไม่ต้องแปลความมากหรือแม้กระทั่งบอกว่าอีกสักหน่อยน้ําจะท่วมโลกเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันซื้อเรือทําปราสาทหินเพื่อให้ไปอยู่ได้คือดีหรือไม่อ่าก็กคงลําบากแต่ว่าสําหรับคนที่หาจุดยึดในใจไม่ได้ก็คิดว่าตรงนี้ใช่ รูปแบบแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาใช้หลักจิตวิทยามวลชนหรือว่าได้มีการเห็นรูปแบบอย่างที่เคยเป็นมาแล้วในลัที่ความเชื่อทางตะวันตกหรือประเทศที่ที่ได้เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคะ่ะหรือว่าบังเอิญมาตรงกันคือฝรั่งเขาก็วิเคราะห์ในแง่ว่าอิทธิพลของอะพคาลิสเนี่ยมันมีมากแต่ว่าของเราเองเราก็เคยมีพวกที่นำแบบนี้โดยนำเอาไอ้ความเชื่อแบบลัทีภาษีอานมา โดยเชื่อว่าในอนาคตการเนี่ยภาษีอา จ, จะมาตรัสรู้เราเรียกกันง่ายๆว่ามาตรัสแล้วโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขทีนี้พอถึงยุคที่สังคมเนี่ยมีปัญหามากวุ่นวายมากเนี่ยก็จะมีคนนึกถึงเรื่องนี้ทีนี้ก็จะมีคนที่หนึ่งตั้งตัวไปผูน้นาเขาจะเชื่อจริงหรือเอามาเป็นเครื่องมือหลอกก็แล้วแต่อันนี้พูดยากบางทีเขาเชื่อจริงๆของเขาก็ได้ ตั้งตัวไปผู้นำว่าเป็นภาษีอ่านมาซึ่งตามหลักมันเป็นไปไม่ได้เพราะภาษีอ่านจะมานี่มันไม่รู้ว่าอีกกี่กับ <c oughs> ก, กี่ไกลเลือเกินนะั่นนอะทีนี้เขาก็ตั้งตัวเป็นว่าภาษีอ่านมาแล้วนีแล้วก็ก็จะพาให้คนเนี่ยได้มาอยู่เป็นสุขถึงยุคภาษีอ่านพ้นจากภัยพิบัติอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยนี รูปแบบใ่ภายนอกเขาก็ต้องเอาหลักศาสนานี้มาเป็นเครื่องอนำนำทางหรือว่ามาเป็นเครื่องที่ว่ามาชักจูงให้คนที่มาได้เห็นว่ามีประโยชน์สอดคล้องกับหลักที่ตัวเคยเชื่อพอเอาความดีเข้ามาสินธรรมเข้ามาก็สอดคล้องกับหลักพระศาสนาคนก็เชื่อไปครึ่งหนึ่งแหละพอเชื่อทีนี้เขาก็นําเอาหลักของเขามาแหละให้มาสนองให้ ปัญหาทางจิตวิทยาที่คนนั้นมีอยู่นี่คนที่มีปัญหาซึ่งต้องการที่พึ่งแบบนั้นอยู่แล้วก็จับเข้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะแต่ว่ามันจะรัตทิที่ว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็อันข้างง่ายก็รวมทั้งไม่ต้องคิดคดอะไรมากมายแล้วก็มันก็รวมไปถึงเชื่อเลยด้วยอะไรนะเชื่อกันแล้วกันแล้วก็เอาศรัทธาเป็นหลักจะมีเจ้ารัตทิมาตั้งตัว ทีนี้พอเชื่อแล้วทีนี้เจ้ารัตที่จะบอกไงก็เอาหมดนะอันนี้มันก็ดีแต่ทีนี้ว่ามันจะมาจากว่าเจ้าตัวเจ้าลัที่นี้เชื่ออย่างนั้นจริงด้วยหรือว่ามาใช้เป็นเครื่องมือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในแง่ของระดับศีลธรรมเนี่ยก็ได้ผลระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ต้องมองว่าระยะยาวจะเกิดผลอะไรขึ้นแล้วก็ แม้แต่ในแง่วงกว้างเนี่ยผลดีต่อสังคมมันเป็นจริงหรือเปล่าต้องวิเคราะห์กันทั้งทั้งกว้างยาวลึกว่างัน้นเถอะนะก็จะไปพูดเอาง่ายๆไม่ได้เลยเรื่องเหล่าเนี้ยนะยิ่งเป็นเรื่องนามธรรมาเรื่องศาสนานี่มันลึกกว่าที่จะมาพูดกันก็เขาก็าพื่พื่อดีนี่มีศีลธรรมมันก็ง่ายที่พูดมันก็ธรรมดาเละเขาเอาเรื่องศาสนามันก็ต้องเอาเรื่องความดีงามเข้ า, า่าตั้งต้นใช่ไหมฮะมิงั้นใครจะไปร่วมล่ะอ่ แต่ทีนี้อะไรที่มันต่อจากนั้นเราต้องคิดกันให้ดีแล้วบางทีมันกลายเป็นภัยพิบัติต่อสังคมภัยพิบัติต่อย่างน้อยกลุ่มชนนั้นเองนี่มันกลายไปว่าเหตุผลเหตุผลบางทีมันหายไปหมดเอาศรัทธามาตัดสินเพราะนั้นก็ถ้าดูเผิอๆมันก็เลยกลายไปว่าดูชั้นเดียวดูชั้นเดียวก็ติดอยู่แค่ว่าเออมันก็ดีนี่อะไรมันก็จบเมื่อมันไม่จบง่ายๆอย่างนั้นของจริง ผ่านได้แล้วมั้งหรือเปล่านี่ก็มาดูเรื่องการจัดงานนี่การจัดงานเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของระบบการจัดระเบียบระบบสังคมคืออย่างน้อยเอาในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีประเพณีการปกครองที่เราเาารียกว่าศาสนาจักรและอาณาจักรหรือพุทธจักรและอาณาจักรทางด้าอนอาณจักรเป็นธรรมดาทุกประเทศเขาก็มีการปกครอง เมื่อมีการปกครองมีรัฐมีผู้ปกครองอาจจะเป็นองค์พระหมหากษัตริย์อย่างในสมัยก่อนก็องค์พระหมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นผู้ปกครองอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นธรรมดาเราต้องถือว่ารัฐมีผู้ปกครองทีนี้ในประเทศไทยเราถือว่าพุทธศาสนาก็มีความเจริญมั่นคงทางรัฐก็ต้องการให้พระศาสนาเจริญมั่นคงเป็นปลึกแผ่นแล้วมีเรามีพระสงค์มากก็เลยอยากให้ทางฝ่าย าศาสนจักรหรือพุทธจักรมีการปกครองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้ไม่วุ่นวายก็เลยตกลงทางพระหมหา ก, กษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หก็เป็นจุดเริ่มแรกที่จริงกฎหมายคณะสงฆ์นั้นมีมาก่อนรัชกาลที่1ก็มีแต่ว่ายังไม่ได้ จ, จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์นี้สมัยรัชกาลที่หก็มีพรบคณะสงฆ์รอยส1งรเอ็ขาเรียกว่าพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทรศกร12อเนี่ ตามพรบฉบับนี้ก็เกิดมีองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุดที่เรียกว่ามหาธิรสมาคมขึ้นมาอันนี้ก็เป็นคําของในหลวงรัชกาลที่ห้านะีก็ต้องเข้าใจว่ามหาธิรสมาคมเนี่ยเป็นคําเฉพาะหมายถึงองค์กรปกครองนี้นะที่มีพระมหาธิระมาประชุมกันมีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นประมุขไม่ใช่สมาคมในความหมายที่เกิดทีหลังคําว่าสมาคมที่เราใช้กันปัจจุบันนั้นเป็นคําที่เกิดทีดหลัง ไม่ใช่ว่าท่านมีทีหลังท่านมีก่อนเราเยอะและวคนละความหมายเอาละมหาเทวสวารค์ก็เกิดมาเพื่อมีการปกครองสูงสุดคณะสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มีมาประเทศไทยเราก็ยอมรับระบบนี้แม้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาะธิปไตยรัฐบาลสมัยประชาธิปไตยก็มีการออกพรบใหม่แต่ว่าเปลี่ยนระบบให้สอดคล้องกับทางฝ่ายบ้านเมืองเช่นเป็นระบบประชาธิปไตย ก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2484แล้วก็มา 2,505 แล้วก็มีฉบับหน่ 2,535 ที่เสริม 2,505 อีกทีหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในหลักการเดียวกันว่าให้กายปกครองคณะสงฆ์เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะก็เท่านั้นเองก็กลายเป็นว่าทางอาณจักรก็มีการปกครองที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุข เปัจจุบันก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําในการบริหารแล้วก็ทางคณะสงฆ์ก็มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุขอันนี้ก็เราก็ต้องเข้าใจความจริงอันนี้ไว้ก่อนนี้ในเมื่อเรายอมรับอันนี้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองด้วยถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาอ้างความสามัคคีหรืออะไรถ้าเราพูดอย่างง่ายๆเราบอกว่าเออจะเอาอะไรใครมาร่วมจัดเนี่ยเราให้เกียรติคณะสงฆ์พอหรือเปล่า แต่ที่จริงคําว่าให้เกลียดก็ยังไม่ถูกต้องบอกว่าถูกต้องตามกฎหมายไหมถูกต้องตามหลักการไหมในเมื่อถ้าเรายอมรับให้มหาชนสมาคมเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์ก็คือพูดง่ายๆเทียบแล้วเป็นรัฐบาลของฝ่ายคณะสงฆ์รัฐบาลก็ต้องคุมหมดใช่ไหมฮะอันนี้เราจะให้รัฐบาลไทยเนี่ยจัดงานระดับชาติโดยบอกว่า ร, วบบ ร, ร่วมกับบริษัทนั้นร่วมกับบริษัทเนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะนะ คามจริงบริษัทอะไรต่างๆก็ควรจะมาเป็นหน่วยงานที่มาร่วมสนองงานเข้าไปอันในงานที่รัฐบาลเขาวางแผนจัดไม่ใช่จะมาเป็นองค์กรที่มาร่วมจัดกับรัฐบาลนะอันนี้ก็เหมือนกันเขาเป็นผู้ปกครองคณะสูงอยู่แล้วเราจะมาบอกเอาก่อง น, นั้นองค์กรนี้มาตั้งคู่เคียงกันเนี่ยมองแบบธรรมดาง่ายๆก็บอกเหมือนไม่ให้เกียรติกันแต่ที่จริงคือไม่ถูกต้องตามหลักการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อันนี้ก็แง่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปก่อนว่าจะให้เข้าใจเรื่องสันติสุขนิดหน่อยนะภูมิหลังเรื่องสันติสุขนี่ก็จะเข้าใจง่ายๆก็เมื่อท่านมีเรื่องปรากฏเด่นชัดขึ้นมาในสังคมที่ออกสื่อมวลชนเลยมากมายเมื่อตอนที่รู้จะเป็นท่านพลตรีจำลองเนี่ยรำหมักลั บ, บเลือกตั้งอันนี้ต้องไปดูให้แน่ก็คือเรื่องเลือกตั้งอะ่ะแหละคงจะพักพลังรม แล้วก็ท่านโพธิลักษณ์ท่านก็ออกมาหนุนนะะ<ม>ก็เกิดเป็นเรื่องราวออกทางสื่อมวลชนอะไรมานี้ก็มันก็มีปัญหาเขาเรียกกันว่าปัญหาการคณะสงฆ์นี่เป็นภาษาง่ายๆนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่เป็นปัญหากับคณะสงฆ์แต่มันเป็นปัญหากากฎหมายบ้านเมืองทีนี้เราไปพูดอย่างนั้นเหมือนกับคณะสงฆ์เนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่มาแตกแยกกับโพธิลักษณ์หรือสันติสงฆ์นีเน่เป็นการพูดที่ใช้เป็นภาษาชาวบ้าน แต่ในทางภาษาราชการใช้ไม่ได้มันทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะเหมือนก็จะมีคน mm. พวกหนึ่งตั้งตัวขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นปฏิปักษ์กับท่านทักษิณอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเขาไปโจรขโมยคณะหนึ่งหรือยอย่าเรื่องเหตุเกิดภาคใต้ก่อกันร้ายเนี่ยบอกว่าเขากบฏต่อท่านทักษิณอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะหรือแตกแยกกับท่านทักษิณมันเป็นเรื่องของต่อรัฐ ทีนี้ของเรื่องของสันติยโสกก็เป็นกรณีต่อระบบบริหารการคณะสงฆ์พระศาสนาและกฎหมายบ้านเมืองแล้วตอนนั้นก็คือมีเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่กำลังวุ่นวายเนี่ยมีเรื่องขึ้นมากระถือทางสันติยโสกเนี่ยท่านก็ไม่ยอมรับการปกครองคณะสงฆ์ท่านโพธิรักษณ์ก็กล่าวขึ้นมาว่าท่านลาออกจากมหาเตษสมคมแล้ว ทีนี้คำว่าลาออกจากมหาที่สมาคมแล้วนี่ก็เป็นสำนวนชนิดหนึ่งแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังก็คือก็ความหมายเลยที่ต้องการให้เข้าใจก็คือบอกว่าไม่ขึ้นต่อการปกครองของขนักส่งอ้าวนึ่ตอนหนึ่งแล้วนะมันก็กลายเป็นข้อถกเถียงประชาชนก็ไม่เข้าใจเออลาออกจากมหาที่สมาคมจะลาออกได้ยังไงอะไรเงี้ยนะ ต่อมาก็มีหนังสือพิมพ์ลงจะเป็นเดลี่นิวหรื อ, อไรต้องขอให้ไปสืบเท่าที่อาตมาจําได้ว่าท่านพลตรีจําลองเนี่ยพูดบอกว่าอ้าวก็มหาเทราสมาคมเป็นสมาคมหนึ่งเมื่อเป็นสมาคมก็ลาออกได้สิว่าเงิน น, ะนี่อาตมาก็ได้ฟังอ่านดูก็นึกว่าเอ๊ะท่านจะพูดเล่นหรือแต่การพูดเล่นอย่างนี้ในสถานการณ์นี้เห็นจะไม่เหมาะเพราะคนกําลังสับสนเข้าใจผิด มันก็จะยิ่งทําให้คนเคว้กันใหญ่ใช่ไหมอันนี้คิดประจําไม้ผิดเป็นวาทะของท่านพลตรีจําลองนะฮะท่านก็พูดไปทีนี้มันก็ยิ่งผ่าดสับสนใหญ่ก็เลยเทียบให้ฟังบอกว่าอย่างนี้เหมือนการรัฐบาลเนี่ยปกครองประเทศคณะสงฆ์ก็ปกครองคณะสงฆ์ก็เป็นรัฐบาลฝ่ายบ้านเมืองกับฝ่ายพุทธจักรรัฐบาลของเราเนี่ยจะมีชาวบ้านคนหนึ่งมาถึงก็พูดว่า เอ้ยฉันลาออกจากรัฐบาลไทยแล้วนะคุณจะมาปกครองฉันไม่ได้นะอย่างปัจจุบันนี้จะมาบอกอะเอ้ยปัจจุบันนี้ฉันไม่ชอบรัฐบาลท่านนายกทักษิณฉันลาออกจากรัฐบาลไทยแล้วเพราะฉะนั้นท่านนายกทักษิณจะมาสั่งอะไรเกี่ยวฉันไม่ได้มันได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนกันแหละก็ในเมื่อเป็นพระใช่ไหมอยู่ในประเทศไทยก็อยู่ใต้กฎหมายไทยก็กฎหมายคณะสงฆ์ก็ปกครองทั่วประเทศ อันนี้มันก็ยังไงอยู่นี่ก็หนึ่งละนี่นี่ก็คือปัญหานี่ปัญหาของท่านโพธิลักษณ์เนี่ยมันก็เป็นปัญหาหลายเรื่องมีปัญหาเรื่องอวดอุตริมนุษยธรรมก็เป็นเรื่องขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาเรื่องบวชถูกต้องไหมเรื่องมันไปจนกระทั่งว่าแต่งกายเรียนแบบหรือเปล่าก็เป็นคดีความขึ้นศาลศาลก็สืบว่ากันหลายปีในที่สุดก็ตัดสินออกมาว่าทางสันติศกผิดแล้วใช้วิธีรอลงอาญากี่ปีไม่ทราบ นี่ก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องรู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองด้วยตอนนี้มันกฎหมายมันไม่ใช่เฉพาะฉบับเดียวไม่ใช่เฉพาะกฎหมายคณะสงฆ์เท่านั้นนะแต่เป็นกฎหมายอื่นๆที่ศาลทางบ้านเมืองเขาตัดสินไปแล้วก็จะใช้กฎหมายแต่ศาลบ้านเมืองก็ต้องตัดสินตามพรบคณะสงฆ์ด้วยเพราะกฎหมายคณะสงฆ์เป็นกฎหมายที่บ้านเมืองออกแต่รวมแล้วก็คือได้ตัดสินไปแล้วอันเนี้ย ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองดูตามความเป็นจริงว่าสถานะตามกฎหมายอะไรแต่อะไรเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ในเือสถานะของสันติอาสกเป็นอย่างนี้นะตามกฎหมายมันก็มีเรื่องซ้อนขึ้นมาอีกมันไม่ใช่เฉพาะหน่วยอะไรย่อยๆในเมืองไทยที่จะประจัดงานให้บอกให้จัดร่วมกับมาเทศสมคมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องตามที่ว่าเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นองค์กรผิดกฎหมายหรือเปล่าออันนี้ก็ไปว่ากันนะตามกฎหมายก็ทั้งรัฐบาลก็ต้อง มาพิจารณาก่อนเพราะตัวเองรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและแถมเดียวนี่ชอบพูดว่าฉันจะเป็นนิติรัฐซะด้วยจะไปรูนออฟลอสทีก็ต้องทําให้มันมั่นคงสิใช่ไหมเออแล้วจะมาอ้างกันยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่จะมาอ้างอะไรกันง่ายๆเลยต้องทําให้เป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนด้วยเป็นแบบอย่างด้วยต่อไปเบื้องหน้าประเทศไทยมันจะได้มีหลัก เอาแล้วทีนี้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาอีกว่าจะทำยังไงนี่ก็เท่ากับเป็นปัญหาซ้อนนี่ก็จะเล่าเรื่องต่อไปทีนี้เรื่องของสันติสุขเนี่ยลักษณะของท่านเนี่ยคนก็จะไม่เข้าใจว่าทำยังไงเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างเช่นว่าบอกว่าฉันลาออกจากมหาเทสมาคมแล้วก็ฉันก็ไม่ขึ้นต่อการปกครองของมหาเทสมคมนี่หนึ่งละต่อมามีเรื่องที่ว่าอย่างอวดอุตริมนุษธรรม ก็มีพระวินัยบอกไว้ว่าภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงนะถ้าเจตนานะอวดก็เป็นปราชิกขาดจากความเป็นพระภิกษุแต่ถึงมีจริงถ้าอวดแก่บอกแก่อนุปสมบัติก็เป็นอาบัติปาจิตติคือไม่พ้นผิดนะถ้าบอกแก่อนุปสมบัติทีนี้ประเด็นที่หนึ่งก็จริงไม่จริงนั้นต้องยกไปเรื่องหนึ่ง ไม่มีใครรู้ตัวท่านถือว่าอย่างนั้นก่อนทีนี้สองในแง่ที่ว่ามีจริงท่านก็เอาขึ้นมาเลยนี่นี่คือลักษณะวิธีของท่านนะซึ่งก็เป็นความรู้เพราะท่านได้ทำอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าอวินัยบอกว่าอวดอุตริมนุษธรรมแก่อนุปสมบันเป็นปาจิตตีอ้าวพวกลูกศิษย์พวกคนที่ท่านบอกเนะี่ยท่านบอกว่าเขาไม่เป็นอนุัสมบัติหรอก เขาเป็นอุปสมบันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอุปสมบันคือใครก็คือคนที่เข้าถึงธรรมนี่คนที่ท่านได้ไปบอกไปอวดเนี่ยก็เข้าถึงธรรมเท่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นเขาเป็นอุปสมบัติเพราะฉะนั้นท่านไม่ผิดไม่ใช่ออนุปสมบันอย่างนี้ต้องพูดเนี่ยพวกนักกฎหมายจะเข้าใจนี่คือเราความต่างระหว่างธรรมะกับวินยัยในวินัยเมื่อบอกว่าภิกษุบอก อุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสมบัทเป็นปาจิตติเนี่ยนะวินัยจะต้องต่อเลยนะให้คําจํากัดความอนุปสมบัทคือใครบุคคลทั้งหลายที่เหลือเว้นจากนอกจากภิกษุหรือภิกษุณีชื่อว่าอนุปสมบั น, นี่นี่ลักษณะของวินัยซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับกฎหมายกฎหมายเขาต้องอย่างนี้เขาต้องมีคําจํากัดความเพราะเป็นเรื่องของรูปแบบการปฏิบัติทางสังคมเขาไม่ทิ้งไว้หรอก อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือวิธีการที่สับสนระหว่างธรรมกะกับวิทย์นัยยกตัวอย่างง่ายๆอ้าวหนูเรียนอยู่มหาวิทยาลัยทีนี้ก็ถ้ามีคนคนหนึ่งมาแล้วก็แต่งคุยปริญญาแล้วก็เขียนใบปริญญาบัตรเอาชื่อเขาใส่ว่าเขาได้สาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตก็ตารวจก็ไปจับเขาบอกคุณมาอ้างผิดกฎหมายใช่ไหมแต่งตัว ใสครูปริญญาแล้วก็มีใบปริญญาบัตรนี่แล้วไปแถมไปสมัครเข้างานอีกด้วยอ้างตัวว่าเป็นบัณฑิตเขาก็อ้างบอกอ้าวความเป็นบัณฑิตนี่มันอยู่ที่ความประพฤติและปัญญาฉันศึกษาเล่าเรียนฉันมีความรู้เยอะลองทดสอบฉันก็ได้นี่อย่างนี้อ้างได้ไหมอ้างไม่ได้ใช่ไหมกฎหมายไม่ยอมรับแต่ว่าในทางคําสอนเป็นได้เราสอนแก่แม้แต่แก่บัณฑิต แกผู้ติดสาเร็จบัณฑิตหรือกำลังเรียนอยู่บอกเออเราจะไปติดอยู่แค่รูปแบบหรือไฟใบปริญญาบัตรเสื้อคุยอะไรเท่านั้นนะนะความเป็นบัณฑิตที่แท้มันอยู่ที่คุณธรรมความดีงามความประพฤติสติปัญญาต้องให้ได้อันนั้นด้วยอย่างนี้พูดได้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ข้อที่จะไปอ้างในการปฏิบัติ ท, ทางสังคมเหมือนกันเนี่ยในแม้แต่ความเป็นพระภิกษุหรือหลักเรื่องความเป็นบัณฑิตที่ว่าในทางธรรมะเนี่ย ก็เอาไปจากพระศาสนาทีนี้มาถึงความเป็นพระภิกษุเองมีพุทธภาษิตบทหนึ่งในธรรมบทอลังคโตเจปิสมังจริยะเป็นต้นซึ่งบอกว่าถึงแม้จะแต่งกายใช้เครื่องประดับเนือแม้จะแต่งกายใช้อาภรณ์แต่หากเป็นผู้สงบฝึกตนแล้วดำเนินชีวิตที่ดีงามประเสริฐเว้นจากการเบียดเบียน ท่านผู้นั้นจะเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรียกว่าเป็นสมณะหรือเรียกเป็นพระภิกษุก็ได้นี่อย่างนี้นี่ธรรมะใช่ไหมฮหมายความว่าไอ้ความเป็นพระภิกษุที่แท้เนี่ยไม่ได้ขึ้นต่อรูปแบบที่โกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองทีนี้ถ้ามีคนหนึ่งพระกําลังโบวชหน้ากันอยู่นั่งเข้าพิธีเนียโยมคนหนึ่งก็มาขอเข้านั่งด้วยบอกว่านี่พุทธภาสิทธินี้มีบอกถึงจะแต่งกายใช้เครื่องอาภรณ์แต่ว่า อจิตใจสงบใช่ไหมฮะไม่มีการเบียดเบียนใครก็เป็นภิกษุฉันก็ขอมีสิทธิ์นั่งด้วยอย่างนี้ได้ไหมเลยบไม่ได้นี่คือความต่างระหว่างธรรมะกับวินยัยธรรมะนั้นมุ่งไปที่สาระเนื้อแท้ความเป็นบัณฑิตที่แท้ความเป็นพระภิกษุที่แท้อยู่ที่ไหนแต่วินัยเป็นรูปแบบมีขึ้นเพื่อจะจัดตั้งวางระบบเพื่อจะฝึกคนให้มันไปสู่ภาวะที่เป็นแก่นแท้นั้นให้ได้แต่ว่า วินัยจะต้องยึดถือรูปแบบที่เป็นจริงปฏิบัติการได้ทางสังคมเช่นเดียวกับกฎหมายกฎหมายเหมือนกันกับวินัยเพราะฉะนั้นการอ้างทางกฎหมายก็อ้างไม่ได้ใช่ไหมฮะกฎหมายเขาต้องตัดสินไปตามคําจํากัดความของกฎหมายที่เป็นรูปแบบก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าพูดกับนักกฎหมายในรัฐบาลเขามีนักกฎหมายเยอะแยะไปผู้แค่นี้ก็คงเข้าใจคือธรรมวินัยนี่ธรรมะก็คือจุดหมายของวินัยเลย หมายความว่าเราต้องการแก่นสารเช่นความเป็นบัณฑิตที่แท้ความเป็นพระภิกษุที่แท้อาจจะเปลี่ยนเลรอฮะเอาเปลี่ยนก็รีบเปลี่ยนซะอันนี้เนี่ยประเด็นที่เขาพูดกันต่อก็คือว่าอันนี้คือคนคนาาชาวบ้านวิจารณ์เนี่ยนะคะว่าเหตุที่มีการตั้งป้อมกับมหาเถรมหาเสตั้งป้อมอสุสเดียโสกเนี่ยเพราะสันเทียโสกไม่ลงให้ในขณะที่ธรรมกายร้ายกว่าอีกแต่ว่ามี พี่นอพี่เทามีเครื่องบรรณาการกับมหาเทระทั้งหลายก็จึงปล่อยสมกายไปโดยไม่มีใครจัดการอะไรก็เป็นประเด็นนั้นซึ่งใ น, นที่จริงเนี่ยหนูพยายามจะเช็ดก่อนมาถึงนี่ว่ากรณีของธสมกายไปถึงไหนและอย่างไรก็ดูเหมือนว่ายังอยู่ที่ยังอยู่ที่สารแต่หนูก็ไม่ทราบว่าสารอะไรอะคะท่านอ๋อสารทางอาญาไมไม่ถึงคดีแผ่นดินเนี่ยหรอคดีอาญาเรื่องเองิน เ, เรื่องทองเลยไม่ถึงศารอาญาร ห, รหรือจะเป็นคดีเรื่องเงิน เพราะว่าก็ไม่มีผู้แจ้งชัดว่าไปถึงไหนคื อ, อคือขออภัยเถอะเข้าใจาว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามเลี่ยงไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องคือทำนองนั้นละค่ะแต่ว่าคืออันนี้เนี่ยรวมหมายความว่าจากการเก็บรวบรวมผู้ที่ให้ความเห็นเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งผู้ให้ความเห็นว่าเหมือนกับจะสร้างความชอบธรรมให้กับวิธีการของจาลองแล้วก็สนติศกและธรรมกายว่าเขาก็ทำดีนี่นะถ้าจะคิดว่าเขาทาไม่ถูก ก็ทำไมไม่จัดการธรามกายด้วยก็เหมือนที่ท่านทุกคุณเคยเขียนไว้ว่าจะวัดว่าใครดีไม่ดีถ้าเอาความถูกต้องไปวัดไม่ใช่เอาความผิดน้อยผิดมากไปวัดว่าไอ้คนนี้ผิดมากคนนี้ผิดน้อยเป็นคนผิดน้อยจึงไม่ผิดคนผิดมากอะไรอย่างนี้วัดเด็ดไม่อ้างความผิดเขาพูดเพื่อจะมาทําความผิดด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ไหมมีแต่ว่าพูดถึงความผิดเพื่อเราจะได้ช่วยกันแก้ไขไอ้นี่ไปอ้างความผิดของคนอื่นเพื่อฉันจะได้ทําผิดอย่างนั้นบ้างทีนี้ตอบไปเลยก็กันคือเรื่อง ปลีกย่อยเรื่องกรณีธรรมกายมาพินอบพินเทาเรื่องสันติศกดื้อเรืออะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องของข้อปลีกย่อยในส่วนรายละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องของขอภัยจะเรียกว่าอะไรเป็นพฤติกรรมของบุคคลในมหาเจริสวรคมเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรไปแต่ว่าตอนนี้เราไม่พูดระดับนั้นหรอกเราพูดระดับหลักการเลยใช่ไหมแล้วแม้แต่ธรรมกายถ้าเราจะพูดเราก็จะพูดในระดับหลักการเราไม่ไปคล่องแหวะ การเรื่องระดับความพอใจไม่ชอบใจหรือเป็นส่วนอัตตวิสัยส่วนบุคคลไม่พูดด้วยเอาละถ้าเขาแยกได้อย่างนี้เขาจะไม่มีปัญหาไม่ไมาพูดเสียเวลาเรื่องเหล่านั้นเรามาพูดระดับหลักการกันเลยนี้ขอขอย้อนที่ทําวินัยนิดทําวินัยเนี่ยคือโยงกันอยู่ละหนุนกันนะคือเราต้องการให้คนมีธรรมะอย่างเนี้ยแต่ในสังคมมนุษย์เราจะทําไงให้คนมีธรรมะอย่างนี้ เราก็ฉลาดทาระบบจัดตั้งขึ้นเช่นตั้งชุมชนระหว่างระเบียบแบบแผนเพื่อให้คนเนี่ยได้รับบรรยากาศระบบแวดล้อมที่มาเอื้ออำนวยช่วยชักนำเขาเข้าสู่ธรรมนั้นเช่นเป็นระบบจัดตั้งชี้เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตแล้วเขาจะได้มีธรรมนั้นนี่คนที่เข้าถึงธรรมะแล้วเขาก็เข้าใจเขาก็จะไม่มาอ้างไอ้ข้อบัญญัติ แบบนี้เพื่อจะมาเลี่ยงวินยัยถูกไมฮะเพราะเขาเข้าใจแหละใครที่เขาเป็นบัณฑิตแท้แล้วเขาจะมาเอามาแต่งเครื่องแบบมาเขียนปริญญาบัตรเพื่อจะมาอ้างไปหลอกคนล่ะใช่ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้มันสอดคล้องกันเองธรรมะกับวินยัยอ่ะคนที่มีธรรมะจรงิงเขาก็ไม่ใช้ข้ออ้างทางวินัยมาเพื่อจะมาหาประโยชน์ส่วนตัวอยู่ดีถ้าแันว่ามันไม่มีปัญหากันขัดแย้งแต่ทีนี้มันอยู่ที่คนที่ จะเรียกว่ามีวิธีการในการยักเยืงให้คนที่รู้ไม่ทันเนี่ยหลงไหลเอาละนี่ก็ให้เข้าใจเรื่องที่เป็นมาเพราะนั้นการที่จะพิจารณาเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ความเป็นมาเป็นไปสถานะหลักการกฎหมายอะไรต่างๆหมดเลยก็ถ้าเทียบก็อย่างที่ว่าเหมือนกับในสมัยนี้รัฐบาลของท่านนายกทักษิณเนี่ย ท่านปกครองประเทศอยู่แล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาเขาบอกว่าเขาขอลาออกจากรัฐบาลไทยเขาขอตั้งพวกกลุ่มเขาเนี่ยท่านจะยอมไหมเน่เออแลวทีนี้อ้าวยิ่งตอนจัดงานเนี่ยถ้าจัดงานนะท่านนายกทักษิณอาจจะแพ้จัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่แพ้หมดเหมือนคณะสงฆ์เหมือ น, นกันคือเราลองคิดดูสินะ ท่านนายกทักษิณเข้ามาปกครองประเทศเนี่ยมันมีคนดีคนชั่วเยอะแยะไปหมดนะคนติดอบายามุขคนติดกัญชาคนติดยาบ้ายาอะไรก็แล้วแต่เอาเอาเป็นว่ามีทั้งคนติดยาเสพติดมีทั้งคนขี้เหล่ามายาคนพิเศษ เ, เพมีโจรผู้ร้ายเนี่ยท่านนายกทักษิณไม่มีทางเลือกใช่ไหมเข้ามาต้องปกครองหมดต้องจัดทางประเทศแล้วคนหนึ่งเขาเข้ามาเขาขอตั้งเมืองพิเศษขึ้นมาของเขา เขาเลือกเอาแต่คนดีๆที่มีสติปัญญาความสามารถแล้วเขาก็พูดได้สิเอเมืองของฉันมีแต่คนดีเห็นว่าเมืองท่านทักษิณนี่แย่คนเสพติดเยอะแยะขี้เมาเยอะแยะอบายุยมูการพนันมูแย่จริงๆก็เหมือนอย่างเนี้ยกลุ่มคนหนึ่งกตั้งตัวขึ้นมาเป็นอิสระในคณะสงฆ์ถ้าตัวเองคัดมาจากคนที่ตัวเอาแล้วใช่ไหมก็มีแต่คนที่ตามที่ตัวต้องการมาตรฐานตัวก็พูดได้สบายสิ ของคณะสงฆ์ก็ต้องปกครองพระมาจากไหนก็ไม่รู้พื้นเพศทั่วประเทศชุมชนชาวทุกจังหวัดเนี่ยมันก็แพ้กันนะสิเหมือนกันแม้แต่จัดงานเนี่ยก็ต้องแพ้แน่นอนถ้าจัดกันนะฮะก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เขาเลือกสรรแล้วส่วนมหาเทศาคมเนี่ยใหญ่ก็จริงแต่ว่าไ ม, ไม่มีอะไรอนะนีมันก็ไปกันไม่ได้รัฐบาลเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นแหละ ถ้านะรัฐบาลท่านนายกทักษิณจะยอมไหมให้มีเมืองพิเศษจัดตั้งขึ้นมาเนะี่ยมันไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยมันยอมไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยต้องพิจารณาหลายขั้นเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองเรื่องของรัฐศาสตร์เรื่องของนิติศาสตร์มาหมดเลยไม่ใช่จะมาพูดเอาเฉยๆนะเอาและทีนี้ก็มีอีกประเด็นที่ปลีกย่อย แฝงอยู่ในนี้นะีคือก็ขอแทรกว่าในการจัดงานที่แท้เนี่ยความจริงคิดว่าเราไม่ควรเอาคณะสงฆ์มาจัดด้ยซ้านี่นี่ความเห็นของอาตมานะน่าจะมีถ้ารัฐบาลอยากจะให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่ก็เราก็ให้เกียรติไม่ใช่ให้เกียรติก็คือให้เป็นไปตามหลักหลักของกฎหมายเป็นต้นว่าคณะสงฆ์ถ้าเป็นใหญ่บริหารการพระศาสนา อ้าแต่ว่าเราจัดการใหญ่มันต้องได้รับความเป็นชอบจากคณะสงฆ์แต่เราจะจัดให้ได้ผลเราก็เอาหน่วยงานกิจการเอกชนอะไรก็ได้ที่เขาดีเขาเก่งแล้วก็มาเสนอคณะสงฆ์ขอเสนออาสาให้องค์กร น, นี้จัดให้แก่คณะสงฆ์ได้ไหมหรือแม้แต่ในนามคณะสงฆ์น่าจะได้ผลดีกว่าจะมาให้คณะสงฆ์จัดหรือแม้แต่เมื่อสันติสศขเนี่ย จะสามารถขี่จริงมันก็ต้องมาในรูปของการมาเสนอตัวต่อคณะสงฆ์ไม่ใช่มาทําตัวคู่เคียงมาร่วมจัดถูกไหมฮะก็มาเสนอตัวสิข้าพเจ้าสันติอโศกมีความปรารถนาดีต่อการประศาสนาและประเทศชาตินะขออาสาจัดนงานวิสาขาบูชาให้อย่างนี้จะถูกต้องกว่ารัฐบาลก็ต้องทําในรูปนี้ก็คือนําเอาสันติอโศกไปเสนอคณะสงฆ์ว่าจะมาอาสาช่วยจัดให้ แต่ทีนี้ว่าปัญหามันก็จะไปติดตอนที่ว่าเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่านั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าโดยวิธีการวิธีปฏิบัติมันน่าจะอย่างนี้ไม่ใช่ยกขึ้นมาก็คณะสงฆ์ร่วมกับสันติอโศกอะไรงั้นมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะจะเห็นใช่ไหม <S <S เห็นคือคือจริงๆตอนเนี้ยจะมีคําถามอยู่อยู่สองข้ อ, ข อ, อค่ะท่านทุกท่านประการที่หนึ่งคือคําถามว่าทําไมถึงมีหลายงาน ในวันวิสาขบูชาเนี่ยคือดูบอกว่างานวันวิสาขบูชาเนี่ยมันควรจะเป็นงานใหญ่งานเดียวของประเทศที่จัดโดยองค์กรเดียวคือหมายถึงว่ามีหลักเดียวแต่แตส่วนว่ารายละเอียดเนี่ยว่าใครจะมาร่วมอย่างไรบนหลักการเดียวที่ถูกต้องชัดเจนแล้วเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่ว่าในเมื่อมหาเถระหรือสำนักพุทธโดยอ้างมหาเถระนี่คิดว่าไปใช้พุทธประภัไม่ได้ก็ไปต้องไปใช้เขามหาเถระกับสนุนทรพุทธกตัดไป ส่วนคุณจำลองกับคนอื่นจะไปจัดที่ไหนก็เป็นเรื่องของเขาใครจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้เลือกเอาเป็นเสรีภาพนี่คือคือข้อที่ที่เขากําลังทำกันอยู่ซึ่งหนูก็บอกว่ามันไม่น่าใช่แต่หลักที่จะไปอธิบายเนี่ยสั้นๆเขาไม่เข้าใจอันที่สองคือเขาถามว่า อที่จริงเนี่ยคุณจำลองก็ทำถูกแล้วไงก็าอาสาจะสร้างสมานฉันแม่ชีสันสนีก็มาเอาวิธีการง่ายๆให้เด็ปฏิบัติได้โดยการตั้งใจว่าใครอยากทำดีอะไรคนละข้อให้ได้ในปีนี้ก็ามาบอกกันแล้วก็ทำก็เป็นเรื่องสมานฉันในวันวิสาขะไงไม่ดีไม่ถูกหรือทำไมจึงไม่ให้ทำอันที่สามเขาบอกว่าก็าตัดสนติอาศกออกไปแล้วไงไม่ได้มีสติอโศกแล้วทำไมยังจะมาตั้งแง่ตั้ง ง, ง, งอหรือคุณจำลองอีก ประเด็นสุดประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็มีผู้ให้ความเห็นว่าก็เพราะคุณจำลองเนี่ยเห็นภาพคุณจำลองก็เห็นภาพสันติอโศเห็นภาพคุณจำลองยิ้มก็ไม่คิดว่ายิ้มหมายถึงว่าไม่มีความวางใจท่านยกก็เลยบอกว่าทําไมถึงไม่วางใจบุคคลให้ดูการกระทําสิมันก็เลยกลายเป็นเรื่องคือพยายามหาเหตุผลเพื่อมาบอกว่าฉันจะเอาอย่างเงี้ยคุณทักษิณบอกว่าอ้าวงี้ก็เป็นเรื่องของการมีคณะบุคคลมาสร้างความแตกแยกในประเทศอีสานสิมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่เรื่องมันจะจบ มันไม่จบอะค่ะมันมีประเด็นต่อมาเรื่อยๆก็ไม่ได้เริ่มนับกันเสียทีอะแต่ว่าเรื่องปลริย่อยอย่างนี้คิดว่าไม่ค่อยสนใจคือหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเริ่มต้นผิดแล้วมันเริ่มต้นผิดพอเมื่อเริ่มต้นผิดแล้วทีนี้มันก็ยุ่งอะสับสนวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมใจรับว่าเรื่องที่เริ่มต้นมาผิดมันจะต้องมีปัญหาเกิดเยอะอันนี้มันก็ต้องไปเริ่มต้นให้มันถูกทีนี้อย่างเมื่อกี้เนี้ยที่ว่ามีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาก็อย่างที่ว่างอะ สมานะฉันมันไปตั้งต้นผิดที่เหมือนกับไปตั้งกลุ่มเหล่านี้มาเสมอสถานะมหาเทศสมาคมแทนที่จะว่าเออรัฐบาลเห็นว่าพวกคุณมีความสามารถก็เลยพาไปหามหาเทศสมาคมไปเสนอตัวว่าอาสาจัดอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ไปบอกกับมหาเทศสมาคมว่าเ อ, อจะเอาพวกนี้มาจัดถวายดีไหมอะไรเงี้ยเริ่มให้มันถูกซะการจัดงานเนี่ยนะฮะ ที่จริงเนะี่ยมันเป็นเรื่องระยะสั้นแม้จะเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องหน้าตาตอนนี้ท่านนายกเนี่ยก็หวังดีแต่พูดไปแล้วก็คืออยากให้หน้าตาของเมืองไทยพระพุทธศาสนาในไทยมันใหญ่นแต่ว่าไอ้หน้าตามันดีแต่เนื้อตัวมันไม่ดีนี่มันก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยท่านต้องมองที่เนื้อตัวด้วย นี่เมื่อกี้บอกแล้วว่าไอ้ด้านการจัดงานเนี่ยเราสามารถให้องค์กรหน่วยย่อยจัดได้อาสากับคณะสงฆ์ mm hmm. ก็คือพวกหน้าตาเนี่ยให้ส่วนย่อยเขาไปจัดซะแต่ไอ้เนื้อตัวเนี่ยเป็นเรื่องของคณะสงฆ์เองและเป็นเรื่องระยะยาวถ้ารัฐบาลหวังดีต่อพระศาสนาจริงและประเทศชาติสังคมจริง mm hmm. ก็แยกเป็นสองส่วนด้านหน้าตาหน้าตาคืองานเนี่ยเอาอย่างที่ว่า อาจจะเอาองค์กรอะไรมาอาสาจัดให้เลยสองเนื้อตัวอย่าทิ้งตอนนี้ต้องเอาเลยคณะสงฆ์นี่บอกเมื่อกี้แล้วว่าออนแอร์ air, ปล่อยระละเลยชืวอช า, าต้องว่าท่านนะท่านต้องยอมรับถึงเวลาแล้วถ้าไม่ขืนไม่ยอมรับฟังเนี่ยจะแย่เสื่อมเลือเกินแล้วทำยังไงจึงกระทั่งว่าประชาชนแม้แต่รัฐบาลเขายังไม่เข้าใจท่านยัง เขายังไม่รู้สถานะของท่านนี่ท่านต้องรู้ตัวแล้วนี่ท่านแย่ยังไงมีอย่างเลยท่านเป็นถึงยอดสุดผู้บริหารปกครองการพระศาสนาและขณะ น, นี้รัฐบาลและชาวบ้านเขาไม่รู้ท่านมองมองมหาเทศาสมาคมเหมือนเป็นองค์กรหนึ่งอยู่ในระดับเดียวกับสันติอโศกหรืออะไรเงี้ยที่จะไปสมานะฉันสามคัคคีนี่แสดงว่าสถานะของท่านมันแย่แล้ว แล้วทำไมมันแย่อย่างนี้ท่านต้องมาสารวจตัวเองว่าเรานี่เป็นยังไงแสดงว่าเราประมาทปล่อยปละแล้วเลยมานานต้องรีบปรับปรุงตัวแล้วแล้วก็<อ><อ>เหตุการณ์ต่างๆในพระสาสนาเนี่มันทำให้คนเขาไม่เห็นความสำคัญก็ท่านปกครองคณะสงฆ์นี่เราก็เห็นกันอยู่เดี๋ยวข่าวหนังสือพิมพ์ออกพระธุดงไปทำเหตุร้ายที่นั่นที่นี่ คณะสงฆ์เนี่ยแม้แต่เรื่องอย่างเนี้ยง่ายๆเล็กน้อยท่านก็นไม่ทําที่จริงทํำง่ายๆก็ได้เอา้าออกประกาศชี้แจงบ้างออกใบสารขอความร่วมมือไปอยังสื่อมวลชนบอกว่าขอให้สื่อมวลชนช่วยแจ้งแก่ประชาชนว่าพวกที่มาทุ ด, ดงในลักษณะอย่างเนี้ยผิดหลักาศาสนาอย่าไปเชื่อถือนะคนเขาก็จะได้มีหลัก แล้วสื่อมวลชนก็จะได้มีที่อ้างอิงใช่ไหมก็จะเห็นว่าพระนะัทสงฆ์ท่านไม่ได้ปล่อยปลาแล้วเลยท่านไม่ได้อันนี้ไม่ได้ท่านไม่ได้ถือยอมรับว่าถูกใช่ไหมเออมันก็จะดีขึ้นนี่ไม่เอาทางนั้น่ะกี่รายกีรายเดี๋ยวข่าวพระทุ ด, ดงทุ ด, ดงเป็นอย่างนั้นงี้พระจริงพระปลอไม่รู้ก็ฉัก็ปล่อยเรื่อยไปเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นควรจะเอานี่คืองานเนื้อตัวคณะสงฆ์ก็ มาสัมผัสกับรัฐบาลรัฐบาลก็เอาเลยถ้าท่านนายกทักษิณจะมีความหวังดีต่อพระศาสนาและประเทศชาติสังคมในด้านเนื้อตัวจริงๆเอาตรงนี้เลยกระตุ้นคณะสงฆ์เลยเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเรื่องกิจการบริหารให้ได้ผลเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปทำหน้าตาสดีเนื้อตัวมันไม่ได้เรื่องมันก็ไปไม่รอด เพราะฉะนั้นด้านเนื้อตัวเนี้ต้องเอาที่คณะสงฆ์หน้าตาเนี่ยไม่สําคัญหรอกเฉพาะในปร ะ, ประเด็นเรื่องเนี้ยค่ะ <c oughs> ท่านบอกว่าได้มอบหมายให้ท่านรองวิศนุกับท่านรองนายกจตุรนไปหาวิท่านใช้คาว่าสังข ย, ยาณาเรื่องนี้ผ่านในยการพิเศนะคะหาวิธีไปไปดูแลสมัยแต่ทีนี้เพื่อให้มันออกมาแล้วลงเพราะว่าผ่านผ่านตรงนี้ไปเราๆสองสัปดาห์แล้วก็ยังไม่มีทําอะไรก็คงจะเป็นว่า ท่านหนึ่งท่านนายกเห็นความสําคัญอันที่สองท่านมาดูเองเมื่อมาดูเองรอบแรกแล้วเสร็จแล้วต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรต่องานหน้าตาขอผัยอจบจบอย่างจบคงานหน้าตาก็กว่าไปงานหน้าตานายกจะออกลงแล้วงานเนื้อตัวทําไมไม่ออกลงอ่ะองานเนื้อตัวมันสาคัญกว่าใช่ไหมห้กลับไปแอบอยู่จะนีะ่งานเนื้อตัวเรื่องใหญ่เอาง่ายๆเอาอย่างประเพณีของ โบราณก็ได้โบราณราชประเพณีในหลวงทรงมีพระราชปุตฉายไปยั ง, งคณะสงฆ์เป็นระยะระยะบางครั้งเห็นการพระสศาสนาด้านนี้รู้สึกมันอ่อนแอเสื่อมโทรมในหลวงบางพระองค์ก็มีพระราชปุตรชาไปเช่นพระองค์หนึ่งเคยมีนะฮะทรงเห็นว่าการศึกษาคณะสงฆ์นี่ย่อหย่อนอ่อนแอก็ทรงมีพระราชบุตรชายไปยังสมเด็จพระสังฆราช ว่าเอ๊รู้สึกว่าเวลานี้ไม่ค่อยมีพระเนนปะเรียนคล้ายๆว่าที่พระองค์มีพระราชาศรัทธาอยู่ก็ไม่สมพระราชาศรัทธาโอ้ขนาดสงตื่นตัวใหญ่เลยพระสมเด็จสกลราชประชุมพระมหาเทระ ท, ทาไงเราจะสนองพระราชาศรัทธาได้จะต้องมาช่วยส่งเสริมจัดการศึกษาเอาจริงเอาจังให้มีพระเนนประเรียนขึ้นมาไม่เยอะเยอะจะได้เป็นการฉลองพระราชาศรัทธาเนี่ย นายกทักษิณก็อาจจะอนุวัต <c oughs> ปฏิบัติตามพระราชประเพณีนี้ก็ได้ <c oughs> นะถามไปอย่างคณะสงฆนะ์ในจุดต่างๆที่เห็นว่ามันอ่อน <c oughs> ใช่ไหมว่าเอ๊ะเวลานี้ก็เป็นห่วงว่าการพระศาสนาเนี่ยในด้านนั้นด้านนั้นที่นั่นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นอย่างงี้งงงตั้งคาถามไปเลยสารจาละัยไปเลยนะว่ามันเสียยังไงอ่อนแอยังไงแล้วก็ ตั้งคำถามไปให้ท่านกันละกันลองดูสิท่านจะว่าไงขั้นที่หนึ่งต่อไปถ้าขั้นที่สองยังเฉยค่อยว่ากันนะเนี่ยนายกทักษิณต้องเอาที่เนื้อตัวแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับศาสนาจริงๆนะแล้วคนเขาจะได้ไม่ว่าท่านว่าท่านจะเอาแต่หน้าตานี่ต่ออีกนิดได้ไหมคือต้องเข้าใจก่อนว่าที่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรไม่สบายไม่พอใจสันติอโศกหรือไรงนะ่ะ นี่เป็นการพูดตามหลักการความจริงสันเทยโศกนี่ก็จะว่าไปก็ดีต่อกันมาตลอดคือรู้จักกับชาวสันติยโศกนี่มาก็ตั้งโอ้โหยี่สกว่าปี30ปีไม่รู้ตั้งแต่สมัยอยู่วัดพระพิเรนเนี่ยชาวสันเทยโศกที่เป็นขั้นแกน่ๆเนี่ยนะเขาไปที่กุฏิเรื่อยนะช่วยงานก็มีแล้วก็ไปสนทนาอะไรต่างๆอะเนี่ยนะ แต่เวลาไปเนี่ยก็แกก็จะมีอันหนึ่งเพราะว่าทางนั้นเขาไม่พอใจคณะสงฆ์อยู่เขาก็จะพูดมากเรื่องก็ใช้คําว่าด่าก็ได้นะเขาก็ติเตียนเอาเอาใช้ติเตียนกันแหละติเตียนคณะสงฆ์อะไรแต่อะไรเนี่ยมากมายเหลือเกินอาตมาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราก็เห็นด้วยเยอะเพราะว่าที่เขาว่าเนี่ยมันจริงก็เยอะอยู่แต่ที่เราก็ติงว่าคุณ อย่าไปว่าอย่างเดียวบางอย่างมันต้องเห็นใจเหมือนอย่างว่าไปถึงพวกพระอะไรแต่อะไ ร, ะะไรประพฤติเลวพวกอย่างนี้อย่างที่พูดถึงพระธุ ด, ดงเมม่อกีนะี่คือในด้านหนึ่งเราก็ต้องมองว่ามันเหตุปัจจัยทางสังคมที่ทำให้คนเหล่านั้นประพฤติไม่ดีก็มีเนีเราจะไปติเตียนเขาอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมองในแง่เห็นใจบ้าง แต่ว่าเห็นใจไม่ใช่ตามใจใช่ไหแต่ว่าจะได้เข้าใจกันตามเป็นจริงทั้งด้านบวกด้านลบเมื่อกี้เราก็จะไปมองด้านลบอย่างเดียวเราก็มองเออรู้ว่าเป็นอย่างนี้ในด้านหนึ่งก็เห็นใจเขาเข้าใจเขาตามเป็นจริงแล้วก็มาหาทางแก้ไขแต่ทีนี้ว่าคือรู้สึกว่าแกจะเพ่งไปแต่ด้านลบแม้ไม่นานเนียนะสักสามสี่เดือนเนี่ยท่านโพธิลักษณ์เองยังเขียนจดหมายมานะเขียนจดหมายมาเยี่ยมอาตมา แตมาก็ส่งหนังสือพอจานานุกรมพทธศาสตร์ไปมอบให้อะไรเงี้ยคือในทางส่วนตัวไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่เป็นปฏิปัติใช่ไหมแต่เราต้องพูดตามหลักการพูดถึงท่านจันนิดหนึ่งท่านจันทศษฐโธเนี่ยที่จริงรู้จักมานานมากนะแล้วท่านมีน้ําใจต่อที่นี่มากจนกระทั่งเดืยวนี้นะถึงแม้มีเรื่องอะไรนะั้นท่านก็ไม่โกรธไม่เคืองท่านยังเคยบอกว่าท่านบวชใหม่แล้วด้วยนะท่านบวชแบบพระทั่วไปเนะี่ย แต่ว่าท่านก็ยังเป็นสันติโศขแต่ว่าท่านได้บวชแบบธรรมดานี้ด้วยอย่างธรรมกายก็เหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวเพราะท่านพระเดชอะไรเนี่ยตั้งแต่ต้นท่านก็เหมือนกับเคารพนับถือพอท่านเมตตาเนี่ยเทศเมตตานันโทพอบวชปั๊บท่านทัตตชีโวก็ส่งท่านเมตตาเนี่ยไปขอคล้ายๆว่าไปเหมือนกับไปเรียนน่ยไปสอบถามความรู้ธรรมะเป็นประจําเลย ต, ต, ตั้งแต่ต้นระยะ ต้นเนี่ยตลอดเลยอันนี้ในส่วนตัวไม่มีปัญหาแต่ว่าในเรื่องหลักการนี่มันเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมประชาชนศาสนาเราก็ว่าไปแล้วเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ว่าไปตามหลักเท่านั้นชี้แจงว่าอะไรเป็นหลักการอะไรถูกต้องตามหลักการนั้นถ้าเป็นความเห็น ค, คุณก็ว่าเป็นความเห็นของคุณอย่าไปบอกว่าอันนี้เป็นหลักการเพะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาในเรื่องของส่วนตัว เราพูดได้เต็มที่แล้วก็ก็ต้องฝากไปยังท่านเหล่านั้นด้วยจะเป็นสันเตียโศกก็ตามธรรมกายก็ตามแม้แต่ท่านพลตรีจำลองว่าให้เราทำการต่างๆด้วยความมีใจมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนจริ ง, รงๆแล้วก็ว่ากันตรงไปตรงมาจริงใจต่อกันนแล้วพูดกันตรงๆเนี่ยคนไทยมีลักษณะหนึ่งที่ฝรั่งเขาเอาไปตั้งข้อสังเกตที่ไม่ดี ก็คือหลีกเลี่ยงไม่พูดกันต่อหน้าอะไรตรงๆผิดถูกไปกล้าว่าแล้วไปว่ากันรับหลังถึงเวลาแล้วจะเป็นสนติสุขธรรมกายท่านพลตรีจำลองต้องพูดกันตรงๆเราหวังดีต่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สังคมประเทศชาติว่ากันไปเลยอะไรผิดอะไรถูกตามหลักการแล้วก็เมื่อมาถึงงานระดับประเทศชาติสังคมและศาสนาส่วนรวมเนี่ยมันเป็นเรื่องเสี่ยงเพราะมันจะมีเรื่อง การฉวยโอกาสและการใช้วิธีทางการเมืองเข้ามาเพราะนั้นต้งหลีกเลี่ยงว่ามีสติระวังไว้ว่าเราจะไม่ยอมฉวยโอกาสเราจะไม่ยอมใช้วิธีการทางการเมืองเราจะใช้ความจริงใจมุ่งต่อประโยชน์ที่แท้จริงของสังคมประเทศชาติแล้วก็ว่ากันตรงไปตรงมาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆนะมุ่งหมายเพื่อนนะ